คำว่าผู้ส่องเสพที่นั่งและที่นอนอันสงัดคือที่ใดไม่ว่าจะเป็นเตียงตังฟูกเสือท่อนหนังเครื่องลาดด้วยหญ้าเครื่องลาดด้วยใบยไม้เครื่องลาดด้วยฟางสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าที่นั่งเสนาสนะคือวิหารคือเรือนมีหลังคาแถบเดียวปราศาสเรือนมีหลังคาโลน้นถ้ำที่นอนที่นั่งอันสงัดว่างเงียบสงัด น, นะเว้นจากการเห็นรูปไม่เป็นที่สปายะเว้นจากการ ได้ยินเสียงไม่เป็นที่ส ป, ปายะกลิ่นรสโพธพพะไม่เป็นที่ส ป, ปายะนะที่ที่สงัดว่างเงียบสงัดจากเบญจา ก, กามคุณอันไม่เป็นที่สบายนั้นผู้ซ่องเสพอาศัยซ่องเสพซ่องเสพเสมอซ่องเสพเฉพาะซึ่งที่นอนและที่นั่งอันสงัดคำว่าผู้ปรารถนาสัมโพธิผู้ปรารถนาสัมโพธิก็คือ ปรารถนาญาณปรารถนาปัญญาปัญยินรีปัญญาภะละธรรมวิจยะสมโพธชงปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาวิปัสนาสัมมาทิฏฐิในมัคซีนะจะต้องเป็นญาณปัญญาปัญญินทรีภะละในอริยมัคนะนะเรียกว่าสัมโพธิเนี่ยปัญญาเรียกว่ายาณในมัคซีปัญญาในมัคซีปัญญินรีในมัคซีปัญญาภะละในมัคซีธรรมวิจยะสมโพธชงในมัคซีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาในมัคซี สัมมาทิฏฐิในมรรคสี่นีที่เรียกว่าสัมโพธิผู้ปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้ปรารถนาเพื่อจะตามตรัสรู้ปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้เฉพาะปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้พร้อมปรารถนาเพื่อจะบรรลุปรารถนาเพื่อจะถูกต้องปรารถนาเพื่อจะทําให้แจ้งซึ่งสัมโพธินั้นก็คือปรารถนาโสดาปติมัคสกธ า, าคามีมรรคอนาคามีมรรคและอรหัตมรรคนั่นแหละเรียกว่าผู้ปรารถนาสัมโพธิ คำว่าซึ่งธรรมะอันสมควรก็คือธรรมะอันสมควรต่อโพธิ์นะธรรมะที่สมควรแก่อริยมรรส4ก็ดูก็คือความปฏิบัติชอบความปฏิบัติสมควรความปฏิบัติไม่เป็นฆาสึกความปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์ความปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมความทําให้บริบูรณ์ในศีลความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนาความประกอบเนือง ในความเป็นผู้ตื่นสติสัมปชัญญะนี้เรียกว่าธรรมะอันสมควรต่อโพธิคืออริยมรรคเนี่ยนะทันข้อปฏิบัติที่เรียกว่าจรณะทั้งหลายเป็นข้อปฏิบัติที่สมควรแก่โพธิคืออริยมรรคอีกอย่างหนึ่งวิปัสสนาในส่วนเบื้องต้นแห่งมรรคสีเรียกว่าธรรมะอันสมควรต่อโพธิวิปัสสนาญาณทั้งหลายเนี่ยนะ วิปัสนาการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาในขันธาตุอายตนะนะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื้อน่ายในขันธาตุอายตนะเหล่านั้นเน่เรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้นแห่งอริยมรรคเนี่ยนะแต่ว่าก่อนที่วิปัสนาจะเกิดเนี่ยนะรู้เห็นตามเป็นจริงร่วมอำนาจวิปัสนานั้นก็ต้องอธิจิตตสิกขาเนี่ยนะซึ่งมีอธิศีลสิกขาเป็นบารเป็นมูล ันสรุปว่าผู้ปรารถนาสัมโพธิซึ่งทำอันสมควรก็ต้องปฏิบัติทำที่สมควรแก่สัมโพธิคืออริยมรรสีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าเราจะ ก, กล่าวก็คือเราจะบอกชี้แจงแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้เตือนแล้วก็ประกาศตามที่พระองค์รู้นะตามที่พระพุทธเจ้าที่บอกว่าเราเนี่ยรู้ทั่วรู้แจ้งรู้แจ้งเฉพาะแทงตลอดอย่างไร จากกล่าวซึ่งธรรมะที่ประจักษ์แก่ตนอันรู้ยิ่งเองมิใช่โดยต้องเชื่อต่อผู้อื่นในธรรมะนี้ดังนี้ธรรมะนี้เป็นดังนี้พระองค์นี้ไม่ต้องเชื่อใครเนี่ยนะเพราะพระองค์นี้เป็นผู้ที่ตรัสรู้โดยชอบตรัสรู้โดยถูกต้องแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ต้องโดยอ้างตำราไม่ต้องนึกดาวเอาไม่ต้องเอาคาดคะเนไม่ต้องตรึกตามอาการหรือไม่ใช่ว่าเห็นว่าตามสมควรแก่ลทัทธิของตน พันจึงสรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบดังนี้ว่าดูก่อนสาริบุตรเราจะกล่าวซึ่งความพาสุขเนี่ยนะความพาสุขด้วยข้อปฏิบัติเนี่ยนะและธรรมะอันสมควร น, นั้นคือธรรมะที่สมควรต่ออริยมรรคเนี่ยนะของภิกษุผู้เกลียดภัยในวัตตะผู้ซ่องเสพที่นั่งและที่นอนอันสงัดผู้ปรารถนาสำโพธิแก่ท่านตามที่รู้เนี่ยน ะ, นยนะก็ต้องนึกภาพถึงว่า ภิกษุที่อยู่ในที่เงียบที่สงบเนี่ยนะที่นั่งเช่นในปา он, า่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาเนี่ยที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยดำรงมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติเป็นผู้ที่เห็นภายในวัตะเป็นผู้ปรารถนาะอริยมรรคปรารถนาะการตรัสรู้พันธาภิกษุอยู่ในต ำ, ตำแหน่งนั้นเป็นแบบนั้นแล้วพระองค์จะแนะนำเนี่ยนะแนะนข้อปฏิบัติให้ท่นข้อแนะนำของพระองค์ก็ว่าภิกษุ ผู้เป็นเีรชนคือมีปัญญาเนี่ยนะมีสติประพฤติในธรรมะเป็นส่วนสุดรอบไม่พึงกลัวต่อภัยห้าประการคือเลือ้อปสัตว์ไต่ตอมสัตว์เลื้อยคลานสัมผัสแต่มนุษย์และภัยแต่สัตว์สี่เท้าเห็นไหมเป็นผู้มีปัญญามีสติเนี่ยนะประพฤตในธรรมะอันส่วนสุดรอบอย่างนี้ไม่ต้องกลัวอะไรสักอย่างานะไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะเลื้อตัวลักก็ไม่ต้องกลั ว, วเห็กกนไหม หรือว่าพวกสัตว์ไต่ตอมวกแมลงวันแมลงวีเป็นต้นเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งคําของมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่ต้องกลัวคําว่าผู้เป็นทีรชนเนี่ยนะก็คือผู้เป็นทีรชนเป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทําลายกิเลสไม่พึงกลัวไม่พึงสะดุง้งไม่พึงหวาดเสียวไม่พึงคลั่นคร้ามไม่พึงถึงความสยดสยองต่อภัย5ประการ คือเป็นผู้ไม่ขลาดไม่ครั่นครม้มไม่หวาดเสียวไม่หนีเป็นผู้ละความกลัวความขาดเสียแล้วปราศจากความเป็นผู้มีขนลุกอยู่ฉะนั้นจึงเรียกว่าเทราชนคือผู้มีปัญญาเนี่ยไม่พึงกลัวต่อภยัย5ประการคำว่าภิกษุนี่หมายถึงกัลภิกษุที่เป็นกัลยาณปุตุชนกับพระเสขะเนี่ยนะเพราะพระารันก็บริบูรณ์แล้วไม่ต้องมาถามข้อปฏิบัติแล้วเพราะบรรลุเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ อันคำว่ามีสตินะมีสติเน้นมากเลยสติปทานเนี่ยคือเจริญสติปฐานพิจารณาเห็นกายในกายกายในกายก็พิจารณากายสิบสีบัพเพ็เนี่ยนะเจริญสติปฐานพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายก็พิจารณาเวทนาเก้าเจริญสติปฐานพิจารณาเห็นจิตในจิตก็คือจิตสิบหกเนีนะเจริญสติปฐานพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายก็คือธรรมะห้าหมวดเนี่ยนะคือนิวรณ ขันอายตนะโภชงและอริยสัต์ั้นผู้ที่มีสติก็คือมีสติเจริญสติประฐาน4ี่ทั้ง21บัจพร ะ, ะนั่นแหละคำว่าธรรมะเป็นที่ส่วนธรรมะเป็นส่วนสุดรอบเนี่ยนะธรรมะเป็นส่วนสุดรอบมีอยู่4ประการด้วยกันธรรมะเป็นส่วนสุดรอบหนึ่งคือศีลสังวรสออินทรียสังวรสโภชเนะมะตันยุตาสี่ชาคริยานุโยกเนี่ยนะเรียกว่าธรรมะเป็นส่วนสุดรอบ ธรรมะเป็นส่วนสุดรอบคือศีละสังวรเนี่ยเป็นไงภิกษุนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสํารวมอยู่ในปาติโมฆะสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเป็นผู้เห็นภายในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อยสมาถานศึกษาอยู่ในศิขาบททั้งหลายพี่าจรณาถึงความเสียในภายในเนะชื่อว่าประพฤตธรรมะอันเป็นส่วนสุดรอบคือศีลสังวรในภายใน ไม่ได้ทำลายศีลอันเป็นเขตแดนนี่เรียกว่าธรรมะอันเป็นส่วนสุดรอบคือศีลก็คือสํารวมอยู่ด้วยปาติโมกขสังวรมีอาจาระเนี่ยนะอาจาระทางกายอาจาระทางวาจาแล้วก็อยู่ในโคจรนนะก็เวน้นที่อาโคจรดังที่กล่าวไปเนี่ย น, นะเป็นผู้เห็นภายในโทษวาดว่าเล็กน้อยแล้วก็มาพิจารณาถึงว่าข้อดี ของศีลเป็นยังไงนะนะถ้าล่วงศีลผิดศีลแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปเป็นอย่างไรอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าประพฤติธรรมในส่วนสุดรอบคือศีลสังวรต่อไปว่าธรรมะเป็นส่วนสุดรอบคืออินทรีย์สังวรเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจกักษุแล้วไม่ถือโดยนิมิตเนี่ยนะไม่ถืออนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมจกักขุนสีที่เมื่อไม่สํารวมแล้ว จะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอัลา ม, มกเขื่อพิชาและโทมานัตครอบงํานั้นอ่ะย่อมสํารวมจากขุนศีย่อมถึงความสํารวมในจากขุนศีเพรา ะ, ะนั้นการดูลืมตาดูเนี่ยนะจะต้องดูยังไงจึงจะไม่บาปสิ่งสำคัญเนี่ยเราทั้งหลายจะชอบคิดว่าคิดตอนเห็นแล้วะควรจะคิดว่าเราจะต้องไปเห็นอะไรบ้างเนเมื่อเห็นในสิ่งนั้ น, น, นแล้วเราคิดยังไงก็เหมือนกับ น่าจะรู้พอรู้คร่าวๆอยู่แล้ววันนี้เราต้องเห็นใครบ้างเนยนะทีนี้เมื่อเราเห็นบุคคลเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราคิดยังไงให้เป็นบุญเนี่ยนะเพราะถ้าเราคิดไม่เป็นบุญมันก็ต้องคิดเป็นบาปเมื่อคิดเป็นบาปเช่นโลภะเกิดเสียหายยังไงเนี่ยนะอันท่าผู้ที่รักษาศีลก็รู้ว่าโลภะเป็นเหตุให้ล่วงศีลข้อไหนไปบ้างโทสะเกิดเนี่ยทําเป็นเหตุให้เสีสเเยศีลข้อไหนเป็นต้นบ้า ง, างนี่แหะ หรือแม้กระทั่งทวารหูนะฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธาภาด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจเนะี่ยนะพวกนี้เป็นทวารที่จะให้เสียศีลเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนีนียที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอัลามกเขื่อพิชาและโทมนัสนี่ครอบงําอันย่อมรักษามนินรียถึงความสํารวมมนินทรีย ผู้ที่จะรักษาอินทรีสังวรได้ดีเนี่ยนะก็ต้องพิจารณาอธิตะปริยยะเทศนาเนี่ยนะอธิตะปริยยะสูตรที่พระองค์ตรัสว่าเอาเหล็กแหลมๆไฟร้อนลุกชนทิ่มตาให้บอดยังจะดีกว่าการเห็นรูปแล้วถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะเนี่ยนะของแหลมคมๆเนี่ยนะ ขอเนี่ยเกี่ยวทิ่มไปในจมูกให้ในหูให้เสียไปเลยดีกว่าจะฟังเสียงแล้วก็ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะทวารจมูกกับกันใตตัดเล็บอ่ะทวารลิ้นก็มีดตัดเฉือนทิ้งเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยทวารกายก็เป็นนาบกับเหล็กร้อนๆเนี่ยก็ยังดีกว่าไปถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะในอารมณ์เหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะเป็นฐานะที่มีได้ว่าตายตอนนั้นก็อบายทุกขติวินิบาตนารกเนี่ยนะ โดยคติสองคือนรกกรเดิร์ฉานนี่เป็นผลของการถือโดยนิมิตเนี่ยนะถึงเป็นสุภานิมิตปฏิฆานิมิตที่ก่อให้เกิดราคะก่อให้เกิดโทสะราคะเรียกว่าอภิชาโทสะเรียกว่าพยาบาทเนี่ยนะคือโทมนัสเนี่ยการที่าจรณาโดยอธิตตะปริ ย, ยเทศนาอย่างนี้บ่อย เชื่อว่าประพฤติในธรรมะเป็นส่วนสุดรอบคืออินทรีย์สังวรในภายในมิได้ทําลายอินทรีย์สังวรอันเป็นเขตแด น, นะนผู้ที่จะรักษาอินทรีย์สังวรได้ดีเนี่ยนะก็ต้องเอาพระสูตรทั้งหลายเหล่านี้มาเจริญมาพิจารณาให้มากๆนี่นะอารมณ์ทุกอารมณ์ทําให้ตกนรกได้หมดนะอารมณ์ทุกอย่างเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกนะนถ้าหากว่าเรามีตาเพื่อจะสอดส่ายดูอารมณ์เหล่านี้เนะี่ย ฟังเสียงเหล่านี้มีหูเพื่อฟังเสียงแล้วก็ให้เกิดโลภะโทสะเนี่ยไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายเหล่าเนี้มันเป็นทาวารแห่งการตกนรกเนี่ยถามว่ามันดีไหมหล่ะมันก็ไม่ดีอ่ะเพราะมันเป็นทาวารแห่งการไปสู่อาบายทุคติวินิบาตนรกดังนั้นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้มากๆใคร่ครวรอย่างนี้บ่อยๆอินทรียสังวรสีเนี่ยจะดีเยังไงอินทรียสังวรจะดีเพราะจะเห็นไผยว่าเนี่ยนะตายต่อจากการเห็นก็ได้ ความตายต่อจากการได้ยินก็ได้ความตายต่อจากการรู้กลิ่นรู้รสรับกระทบทางกายก็ได้หรือตายเพราะเรานึกคิดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่ตอนนี้ก็ได้ทีนี้ถ้าความตายเนี่ยนะเราถืออารมณ์เหล่านั้นด้วยด้วยจิตชนิดายอะอะไรด้วยถือโดยอภิชาหรือโทมานั้นถ้าตายในตอนเนี้ยจะไปไหนเนี่ยนมันก็ส่วนใหญ่ก็ไปไม่ดีเนี่ยนะบางสูตรก็บอกว่าฝุ่นในเล็บ กับแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะผู้ที่ไปสุขติพอๆกับฝุ่นในเล็บนั่นแหละผู้ที่จะไปอาบายพอๆกับแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะก็ดูว่าจิกแผ่นดินตรงไหนมั่งไม่มีสัตว์ดูนะดูเหอะต่อไปธรรมะเป็นส่วนสุดรอบคือโพชเนมตันยุตาเนี่ยเป็นไงนก็คือภิสูจในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยอุบายอันแยบคลายแล้วฉันอาหารไม่ฉันเพื่อจะเล่นไม่ชั้นเพื่อจะมัวเมาไม่ชั้นเพื่อประดับ ไม่ฉันเพื่อตกแต่งฉันเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อจะให้กายนี้เป็นไปเพื่อเว้นความลำบากทางกายเพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์ด้วยมรณะสิกานว่าเราจะบำบัดเวทนาเก่าจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นและความดาเนินของเราความที่เราไม่มีโทษความอยู่สบายจักมีแก่เรานการบริโภคก็เพียงเพื่อบำบัดทุกข์เลยนะก็ไม่ได้กินเพื่อจะสนองราคะโทสะโมหะ ก็ไม่ได้เพื่อกินเอาเนื้อหนังมังสาแต่ว่าให้ร่างกายเนี่ยเป็นไปได้เพื่อให้มหาภูตรูปเนี่ยเป็นไปจะได้อบรมอธิศีลสิกขาที่จิตสิลขาที่ปัญญาศิลขาต่อไปานผู้ที่จะมีโภชเนมัตันยุตาได้ดีเนี่ยนะก็พิจารณาอาหารเนี่ยเปรียบด้วยน้ามันสําหรับหยอดเผาเกวีย น, นยนะกินเพื่ออยู่นะกินเพื่อให้ร่างกายมันเป็นไปนะไม่ให้มันมีโทษเนี่ยนะ เมือกับเวียนเนี่ยถ้าไม่หยอดน้ํามันแล้วอ่ะก็ขับไปได้ไม่ไกลถ้ามันสีนานๆนะมันร้อนพอร้อนมากๆขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่หลอลื่นมันจะร้อนมันก็เหมือนกับเอาไม้มาสีกันเนี่ยนะท่านการร้อนเนี่ยจะทําให้ไม้เนี่ยกรอบสมัยก่อนแล้วไม้มันจะกรอบเขาเอาไม้เนี่ยมาทำเป็นเพล่าเนี่ยนะเมื่อมันกรอบปั๊บมันจะหักหักระหว่างทางก็ทรัพย์สินที่อยู่บนเกวียนก็จะเสียหายมันก็ต้องคอยหยอดน้ามันไว้ตลอดมาให้มันหลอเลื่นมันจะได้ไม่ร้อนเนี่ยนะ เวียนก็จะได้พาเรียกว่าบรรทุกของเนี่ยจะทําให้ถึงจุดหมายปลายทางได้หรือว่าถ้าห่มผ้าก็เหมือนกับผ้าสําหรับปิดแผลก็การบริโภคอาหารก็เพียงเท่เมื่อเพื่อจะรักษาเหมือนผ้าปิดแผลเท่านั้นเองหรือพิจารณาเหมือนกับว่าการบริโภคเนื้อบุตดคนกินเนื้อบุตรเพื่อต้องการข้ามทางกันดารอันผู้ที่ปัจเจกพิจารณาอาหารอย่างนี้ได้บ่อยๆนะ เปรียบเทียบเหมือนน้ำมันหยอดเพลาเกวียนผ้าสำหรับปิดแผลแล้วก็การบริโภคเนื้อบุดท่าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆประพฤติในธรรมเป็นส่วนสุดรอบคือโภชเนยมัตัญยุตาย่อมไม่ทำลายโภชเนมัตมัตตัญยุตาอันเป็นเขตแดนในภายในอย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมะเนี่ยนะส่วนสุดรอบคือโภชเนมัตัญยุตา